ยเมโคปนาญาติสมันโตเวโนมุติปาจิตติยาธรรมาอุเดสังอาเกชันเตสัมปชานมุสาวาเดปาจิตติยังโอมาสวาเดปาจิตติยังพิคุเปสุเนปาจิตติยังโยปนาพิคุอนุปัสมปนังปะดะโซธรรมังวาจจยะปาจิตติยังโยปนาพิคุอนุปะสมปเนนะอุตริวิรัติรังสหเซยังกเปยปาจิตติยังโยปนาิุมาตุกเมนะสหเยังกเปยปาจิตติยังโยปนาพิุมาตุกะมัอุตริัปญจบาตาหิธมังเสยะอัญตราวิญญูนาปุริตาบเให้นปาจิตติยัง โยปนะพิกุปนุปัสสัมปนจักอุตริมนุสสะมังอโรเจยูตัชมิายังโยปนพิุิกุัทนังอปตินุปัสสัมปนอโรเจยะอัญตริกุสมติยาาจิตยังโยปนพิุปะะริ่งันนาอวาขนาปยาวาาจิตยังโมทาวานะโกปาัมโมผูตัามะปาตัตายาปาจิตยังันยาวาเเกวหิตเกปาจิตยังกุชาปนาเกยานเกวปาจิตยังโยปนะพิกุั้งหิังมันจังวาปีทังวาปีสิงวาโกจังวาอโธกาเต สันธริตวาวาสันธราเปตวาวาสังปกัมมันโตเนวะอุทธเรยานุทัตราชยานาปุชังวะกชยปาจิตยังโยปนาพิคุสรังขิเกวิหเรใช้ยังสันาริตวาวาสันธราเปตวาวาสังปกัมมันโตเนวะอุทธเรยนุทัตราชยานาปุังวะกชยปาจิตยังโยปนาพิคุสรังขีเกวิหเรจานังปุบูปกะทังิคุงอนุปัจจญาใยังกยะยตสัมบัตโหภวิสติโสปกามิสติติเอตเดวะปติยังกฤตวะอนันตปาจิตยังโยปนาพิคุพิคุงปิตวอนันตมโนสรังข อภาริเตภูปิเวหาเถปัญญอหจปะระกังมัญญาวาปิทังวาอเวาาปินิปเจเยวาวาจิติยังมหัลกัมปนาภิกุนาภิารังการยะมาเนะยาวันวาระโกสะอะะปนายาาโลกัณฑีปริกมาญาณวิติจารณสักปริยายังอภาริเตภิเตนะอธิพาตัมบังตะโตเจอุตริงอหาริเติทอโอธิตหะยัปจิติยังโยปนาภิกุจานังสัปปะังอุดังกังตินังวามติกังวาสินเจยาสิญจาเยวาวาะจิติยังภูตตากรรมปันโิตุติโย เดชริยปิกุณีโยอวะเดียภาจิติยังโยปนะิกุปิกุณูปัสยังอุปัสสังกมิตวะปิกุณโยอวะเดียอัญญะปราสมาญาภาจิติยังกถาอย่างสมยโยเยลานาโหติปิกุณีอัญญะตถาสมยโยโยปนะิกุเอวังวะเดียอมิจะให้ตูปิกุปิกุณีโยโอวะตันติติปาจิติยังโยปนะิกุอัญญาติการะปิกุณีญาจีวัดรังเดียอัญญะปราปาลิวตระปาปาจิติยังโยปนะิกุอัญญาติการะปิกุณีญาจีวัรังสิบเบยาสิบบาเปียบาปาจิติยังโยปนะิกุปิกุณาเสถิงตังวิา ทังมโยโหติมังโสงสโตสปอโยยัตถาสมโยโยปนาภิกุภิกขุนิยิิ่งส้างิธายเอกนาวังอภิโรหายมินิงวะโทมินิงวอนตรยนตรนายปาจิตยโยปนภิกุจานภิกุีปริปาจิตปินาาตปุญเจยอนตเกิหิมารมาจิตยโยปนภิกุภิกขุิยิิงเอกโกเอกยรโนิสจกเปยาิยง โวานโกตติโยอกิานีนติคุาเอกอาสินโุจิตัโมตโตเจอุตริงผุยัปาจิตติยังเกนาะโพชเนอเนตระสมยาปาจิตติยังคถาอย่างสมยโยกิลาณะสมยโกีวรดานสมยโยกีราลสมยโอาานกมมันสมยโยนาวาภิรหณะสมยโยมหสมยโยสมะมะัตตะสมยโยอยังตถาสมยโยปรมปราโภเเนอเนตระสมยาปาจิตติยังคถาอย่างสมยโยวิลาณะสมยโยกีวรดานสมยโยกีรกาลสมยโอยังตถาสมยโยภิกขุปนิากุลังกุปะกตังป กังขมาเนนะพิคุณาวิิปตปูระปตังเกเหตตัมบาตะโตเจอุตริงปตตังเกนนัยยาจิตยังวิธิปตปูเรปัตตังเกเหตวะตโตนีหริโะพิคุหิตถิงตังวิภะจิตะบังอย่างตัฏฐาสาวจิโยปนะพิุพุทธาวิปวาริโตอนติริตังข่าดัณยังวะโผจณียังวะค่ะเดยวะปุญเจวปาจิตยังโยปนะพิคุพิคุงพุทธาวิงปวาริทังอนาดิิเตนะข่าดัณเยนะวะโผจดีเย ผุญจยวาปาจิตยังโยปนพิุสนิิการะกังคาดนียังวาผูจนียังวาค่ะเดยะวาผุญจียวาปาจิตยังญาิโคปณะตาณิปันมหตาผู้เจานิสียทีรังสปินวะนีตังเตลังวัตุพานไมตังมะโชมังสังเคี๊รังดาทิโยปนะพิคุเอวะรูปานิปันมหตาผู้จานิอะกิานอัตโนัายิอเปตวาผุญเจียปาจิตยังโยปนพิคุอดินังมุขว่ารังอาหะรังอาหาเรยะอนยัรอุตะดันตาปนาปาจิตยัง โผจันะาปโกัตโตโนยปนะิกุอเจลกัตตวปริปจกัตตวาปริปะจิกายวาสาธาคาดนยังวะโผจนยังวะเดเยปาจิตติยังโยปนะพิกุิกุเอวังวะเดยเอหุโซกามังวานิกมังวะปินายาปวิสิสาติตัสดาเปตตวาวาอาดาเปตวาวาอุโยเจยะกัชชาหุโซนเมตยาสติกัาวานิสัจยวาผาสุโติเอกจะเมกัาวานสัจยวาผาสุโขตติเอตเดวะปัจยังปริวะอนันยปาจิตติยังโยปนะพิกุสโผจเนกุเลอนุปคั นัสติงระหโอปะณิชเนอสเนนิจังกะเปยปาจิตติยังโยปนะพิขุมาตุกะเมนะสติงเอโกเอการะหโอนิสจังกเปียปาจิตติยังโยปนะพิคุนิมันติโตสะพตโตสัมโนสั้นตังติคุงอนาปุชาปุเรหัตังวาปัชฌาพตตังวากุเลสุจาริตังอาปเจยะอัญญตราชมยาปาจิตติยังกัททะยังสมโยจีวราดานสมโยกีวราตารสมโยยังตัาสมโยกิลานีนัพิกุนาจารุมาสะปัจยาปวารณาสะดิตตาบาอัญญัตราะปวารณายะกอัญญัตรนิจจปวารณาอยากตโตเจขยทริงสะด เนังดนายัตเญตรัาถาปปัจจยาปาจิตติยังสยาจะาพโนโกจิเดปเจโยเสนักมายักวรัตติรัตตังเพุนาเสนาญาวสบังตโเจอุตริงวยาาจิตตยงวิรัติรัตังเจพิคเสนาญาวสมโมฮุโยทิกังวะเมลักังวะเสนปยูหังวะอณิกัสตังวกัสเยาาจิตติยังเจรัโตกันจโม